ทุดวง13บามแต่ละข้อมีความหมายในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทได้อย่างอัศจรรย์ยากที่จะคาดให้ทั่วถึงได้แต่ได้อธิบายไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้วในปฏิปทานี้จึงคิดว่าจะไม่ขออธิบายมากมายนักทั้งที่พระทุดงบรรดาที่เป็นสิทธิท่านต่างดำเนินตามปฏิปทาสายของท่านเป็นประจำตลอดมา ทุดง13บามข้อที่ได้อธิบายไว้ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปรากฏว่ามีดังนี้ถ้าจำไม่ลืมข้ออยู่รุกขมูลร่มไม้บิณฑบาตเป็นวัดชันในบาทชันหนเดียวในวันหนึ่งหนึ่งถือผ้าบาังสุกุลข้อไม่รับอาหารที่ตามส่งที่หลังที่อาจอธิบายสามอีกบ้างก็เป็นเพียงเพิ่มเติมเล็กน้อยพอเขียนทุดงนี้จบลง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 มีความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างเลยจำต้องอธิบายไว้ในที่นี้ซ้ำอีกเล็กน้อยขอความครุณาท่านที่เคยได้อ่านทุดงในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นมาแล้วอย่าได้รำคาญเพราะสำนวนซ้ำซากโปรดคิดเสว่าเพื่ออันเพราะท่านที่ยังไม่เคยทราบเรื่องทุดงขวัตสิบ1ามข้อจะพอมีทางทราบจากที่นีบ้าง ทุดงข้ออยู่รุกขมูลคือร่มไม้นี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนทุดงทั้งหลายวันตรัสรู้ธรรมแดนโลกธาตุวันไหวทั่วไรพบก็ตรัสรู้ใต้ร่มไม้คือร่มพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธบริษัทถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่เคียงพระศาสนาและพระศาสดามาจนทุกวันนี้เวลาปรินิพานก็ทรงนิพานใต้ร่มไม้คือนางรังทั้งคู่ ที่เรียกว่ารูกขมูลแห่งทุดงข้อนี้การอยู่ในกุฏิที่มุงที่บางมิชชิตปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกับการอยู่ใต้ร่มไม้มีความแตกต่างกันมากข้อนี้จะทราบได้ชัดจากผู้ที่เคยอยู่ทั้งที่มุงที่บางคือกุฏิวิหารทั้งเคยอยู่รูกขมูลคือร่มไม้เปลี่ยๆมาแล้วใจจะรู้สึกละว้าเหวต่างกันมาก ยิ่งกุติในป่าเปลี่ยวและร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือด้วยแล้วจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างกุติกับร่มไม้มีความแปลกต่างกันอยู่มากผู้ที่อยู่กุติในป่าเปลี่ยวจะสนุกนั่งสนุกนอนมากกว่าสนุกภาวนาเสียซ้ำอย่างสบายหาเระแวงต่างๆส่วนผู้ที่อยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเปลี่ยวปราศจากเครื่องอรรคขา หาที่จะพอลบซ่อนนั่งนอนให้สบายไม่ได้จำต้องระวังภัยอยู่ทุกยิรยาบทสติกับจิตไม่มีเวลาจากกันเพราะกลัวจะเสียท่าเวลามีอันตรายซึ่งอาจเกิดได้ทุกยิรยาบทความสุขทุกของการอยู่ในที่ต่างกันนั้นรู้สึกต่างกันมากผู้อยู่ใต้ร่มไม้จะเป็นทุกข์มากแทบทุกด้านแต่ทางสมาธิภาวนา สำหรับผู้มุ่งต่อธรรมะแล้วผู้อยู่รุกขมมลร่มไม้มีทางเจริญมากกว่ารออยู่ในท่าทางความเพียรทุกอิริยาบถนอกจากเวลาหลับเท่านั้นความระวังสติไม่ให้พลากจากใจเนื่องจากความกลัวภัยเป็นเหตุนั้นเป็นประโยคแห่งความเพียรที่จะยังจิตให้เจริญทางสมาธิปัญญาได้ไม่มีทางสงสัย ดังนั้นการอยู่รบขมูลในป่าเปลี่ยวของนักรบผู้กล้าตายจึงเป็นเหมือนเข้าสู่แนวรบในยุริยาบทแม้จิตที่ไม่เคยสงบไม่เคยรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรหรือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อตั้งสติเข้าใกล้ชิดติดแนบกับใจพยายามรักษาไม่ให้พลังเผลอจะบริกรรมภาวนาด้วยธรรมบทต่าง ก็เป็นภาวนาขึ้นมาได้โดยถูกต้องด้วยสติจะพิจารณาสภาวธรรมเพื่อความเห็นแจ้งทางปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้ด้วยสติเครื่องควบคุมสติจึงเป็นธรรมะจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทั้งภายนอกภายในผู้อยู่ในที่เปลี่ยวมีรุกขมูลเป็นต้นเป็นที่บำเพ็ญ จึงมีโอกาสส่งเสริมความเพียรได้ดีกว่าที่ที่เห็นว่าปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายมีกุติเป็นต้นคุณสมบัติแห่งการอยู่รุกขมูลร่มไม้ทำให้ไม่นอนใจมีสติอยู่กับตัวอันเป็นทางเจริญแห่งสมาธิสมาบัติมักผลนิพพานโดยลำดับไม่ชักเช้าหรือมัวสงสัยอยู่เพราะความประมาทนอนใจผู้ที่เคยอยู่รุขขมูลในป่าเปลี่ยวมาจนเคยชินแล้ว ย่อมเป็นเหมือนผู้จัดเจในสงครามไม่สะทกสถานต่อค่าศึกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ผิดกับผู้ไม่เคยฝึกหัดอยู่มากท่านอาจารย์มั่นท่านสันเสริญการอยู่รุกขมูลอย่างถึงใจและติดปากติดใจท่านตลอดมาจนอวาสานแห่งชีวิตและเคยพูดเป็นเชิงเตือนสติพระลูกศิษย์ทั้งหลายให้สำนึกตัวเกิดความสนใจในการอยู่รุกขมูลว่า รเราถ้าอยากทราบเรื่องอย่างละเอียดของตัวและเชื่อความสามารถของตนว่าเป็นพระปฏิบัติเต็มภูมิหรือไม่เพียงไรจงพากันไปอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือเป็นสิ่งเตือนใจและทดลองความสามารถอาจหารหรือความขี้คลาดไม่เป็นท่าของตัวจนรู้ความลึกตื่นแห่งความหมายของการอยู่รุกขมูลที่ทรงบัญญัติไว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 เนี่ยนะทางเดินเพื่อพ้นภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลเธอทั้งหลายมัวงุ่มงามตุมเตียมอยู่ทำอะไรกันสถานที่นี้มิใช่สถานที่งุ่มงามสามสติปัญญาแต่เป็นสถานที่ฟื้นฟูสติปัญญาความเพียรทุกด้านให้แก่กล้าแหลมคมมาเราตถาคตจะพาไปไม่ชกักช้าอย่ามือผาุงผาลังแบกภาระหนักโดยสำคัญว่าตนมีกาลังสามารถอยู่เลย เวลาขับขันจะไม่มีอะไรติดตัวรีบสแสวงหาชัยสมรภูมิที่บำเพ็ญเหมาะมาะีรุกขมูลเป็นต้นจิตจะได้บรรลุธรรมที่เหมาะกับใจไร้กิเลสกองทุกทั้งหลายเสียได้สถานที่เช่นนี้แลตถาคตปราบปรามกิเลสทั้งมวลให้เหมาะปราบเสียได้โนโอนตนพระสีมหาโพย่ยางไรละ่ะที่เป็นเครื่องหมายมหาชัยของตถาคต ถ้ามีเรียกว่ารุกขมูลควรจะเรียกว่าอะไรสิทธัตถราชกุมารอุบัติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทิโคนต้นพระสีมหาโพนั่นแหละพวกเธอยังจะสงสัยและจะไปสแสวงหาธรรมที่ไหนกันอีกทำไมหาดังที่ตถาคตพาหาพารูน้นี้สถานที่เช่นนี้แหละคือที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้เห็นภัยจะพากันหลงงมงายไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกัน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 แล้วคว้าเอาทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งรากแก้วรากฝอยซึ่งทำประโยชน์อะไรไม่ได้นั่นแหละพอปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราดีๆนี่เองการอยู่รุกขูลนี้ท่านอาจารย์ท่านว่าท่านเคยได้รับประโยชน์ประทับใจเรื่อยมาจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่จืดจางการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังอันเป็นเครื่องป้องกันอันตราย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 แต่เสือบางตัวรู้สึกจะมีเจตนาซ่อนเร้นพิกลที่ไม่น่าแว้ใจแฝงอยู่ด้วยจะทราบได้ขณะที่พระท่านกําลังเดินจงกรมอยู่ที่มืดมืดไม่จุดไฟมันยังแอบด่อมเข้ามาจนถึงที่สุดทางเดินจงกรมห่างกันประมาณวาเสษเท่านั้นและหมอบราบดูอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนจนพระท่านได้ยินเสียงนิดนิดผิดสังเกตธรรมดา ใช้ไฟไปดูก็เห็นมันโดดออกไปจากที่นั้นทันทีแต่วันหลังไม่เห็นมันกลับมาอีกที่กล่าวนี้หมายถึงเสือโครงใหญ่ลายพาดกลอนตัวขนาดเท่าม้าแข็งเราดีๆนี่เองมิใช่เสือดาวซึ่งเป็นสัตว์ชอบแอบบหากินสุนัข ก, กับคนที่ไปเที่ยวป่าตามนิสัยของสัตว์ชนิดนั้นที่เคยหากินกับคน การอยู่รุกขมูลของพระทุดงผู้เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆที่น่าหวาดกลัวซึ่งนำมาลงเพียงเล็กน้อยนี้ท่านนึกวาดภาพเปลี่ยนให้ท่านที่อยู่รุกขมูลแล้วเรื่องที่ท่านประสบมากลายมาเป็นเรื่องของเราเข้าบ้างท่านผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าทนได้และทรมานได้จนกลายเป็นเจ้าของประวัติอันดีงามได้ก็นับว่าดี เป็นคติแก่อนุชนได้ยึดเป็นหลักใจต่อไปเพื่อทนไม่ได้ทรมานไม่ลงลงไม่ตกน่ากลัวจะเป็นประวัติที่ขายหน้าตัวเองและมูคณะตลอดพระศาสนาอันเป็นหัวใจของชาวพุทธให้มัวมองชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างให้หายได้ตลอดกาลนานและกลายเป็นบุคคลที่มีปมด้อยวงกรรมฐานที่มีปมด้อยและพระศาสนาที่มีปมด้อยตลอดไป เพราะอาศัยเราคนไม่เป็นท่าเพียงคนเดียวพาให้สิ่งที่มีคุณค่าไม่มีประมาณทั้งหลายเสียไปด้วยเพียงนึกวาดภาพทดลองดูขณะเดียวก็พอทำให้ทราบได้ว่าทันทีอุตสาพยายามตะเกียกตะกายด้วยวิธีนั้นแต่ขั้นเริ่มแรกชีวิตแห่งทุดดวงฆกรรมฐานจนสามารถตั้งรากฐานมั่นคงในธรรมะทั้งหลายได้เพราะความเดนตายนั้น จะเป็นความลำบากกายทรมานใจมากเพียงไรซึ่งยากจะมีผู้กล้าเสียสละอย่างท่านได้ในวงมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวกลัวทุกข์มากกว่าธรรมะเครื่องนำออกการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังโดยประการทั้งปวงนั้นย่อมเป็นเครื่องสอให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเสียสละทุกอย่างไม่อะไรเสียดายจะตายไปเพราะเหตุใดก็ย่อมให้เป็นไปตามคติธรรมดา ไม่คัดค้านต้านทานด้วยวิธีเห็นแก่ตัวจะอดอยากขาดแคลนปัจจัยสี่ที่โลกอาศัยและถือกันเป็นสำคัญก็ยอมอดโดยธรรมไม่แสดงความอึดอัดขัดใจอันเป็นทางส่งเสริมทุกข์ให้มากมูลจะเป็นทุกข์ทรมานเพราะความเพียนกล้าก็ยอมทนเพราะอยากพ้นทุกข์ด้วยความเพียนนั้ น, น, นแม้สัตว์เสือตัวหิวโหยอาหารจะมากัด และคาบเอาไปกินก็ยอมสละให้มันด้วยความเป็นนักบวชและนักเสียสละอย่างพร้อมมูลอยู่แล้วภายในใจไม่มีอะไรขัดข้องหึงหวงการเสียสละทุกอย่างเพื่อธรรมะดวงเลิศเป็นความอยู่สบายในที่ทุกสถานแม้ชีวิตของผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้ด้วยความเสียสละจะไม่มีความหมายสำหรับคนทั่วไป แต่ใจกลับมีความหมายในธรรมะอันมีค่ามากฉะนั้นแทนที่ชีวิตร่างกายท่านจะหมดความหมายไปตามความเสกสรรของโลกทั่ ว, วไปแต่กลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากยากจะมีผู้สละได้พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญแห่งคุณค่าในทุดดวงข้อนี้ว่าเป็นธรรมะเครื่องปราบปรามกิเลสภายในใจสัตว์โลกได้เป็นอย่างดี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 จะควรปฏิบัติอย่างไรบ้างพอมีทางเล็ดลอดปลอดภัยที่ควรเป็นได้ไม่นั่งนอนคอยรับทุกน้อยใหญ่จากการกระทาของจิตผู้เป็นตัวการซึ่งมีนิสัยชอบในสิ่งที่เลยขอบเขตประจำตนธรรมะข้อนี้แม้จะเรียกว่าเป็นหัวใจกรรมฐานข้อหนึง่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะพระทุดงคักรรมฐาน ผู้มุ่งต่ออัตถะต่อธรรมะจริงๆท่านชอบปฏิบัติธรรมข้อนี้แทบทั้งนั้นผู้เขียนเองแม้จะไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยแต่หัวใจก็อดจะชอบธรรมะข้อนี้ไม่ได้นอกจากจะเอื้อมไม่ถึงเท่านั้นจึงยอมสารภาพตนอย่างไม่อาย